ถ้าหากมันตั้งใจฟังแล้วมันจดจาไม่ค่อยได้ดีถ้าเราตั้งใจฟังและจดจําเอาไว้มันไม่หลงมันไม่ลืมเราก็นำไปปฏิบัติมันก็ทำให้เราสบายไปถ้าเราจดจําไม่ได้นำไปปฏิบัติมันก็ผิดความผิดในจัอหวาใจโบราณ มันแหงโคจะไฟเนี้นจับที่โพสต์จักเชือกจะตั้งใจจริงๆการปฏิบัติธรรมะระยะเวลาที่หา ม, มาปฏิบัติทมนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าโอกาสบอดีเขาก็ตายไปหรือว่ามีธุระติดขัดอย่างนั้นอย่างนี้บ้านหลวงพอ่อ มีผู้ยิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันกับมู่อย่างพอนี่อเองแล้วกับผู้ผัวแล้วก็เป็นให้ว่าเป็นเพื่อนที่รักกันพอสมควรที่มาปฏิบัติธรรมะก็ขาอนั่นขาอันนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้นนที่หมอคนที่สุดตายทาง้งหมดนี้เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมะแต่ขาเจยับขมักกินมักทานลักษณะชินเฮ็ุเมืแก่คนที่จะมาปฏิบัติธรรมะก็เลยไม่ได้มาปฏิบัติธรรมะ การปฏิบัติธรรมะมันเป็นทางลัดทางตรงแล้วก็มีอันนิสงสสูงทร ง, งให้ถึงที่สุดใดให้ทานรักษาสิ่งเอื่นๆกับบคือการปฏิบัติธรรมะนี้ถ้าหกพูดไปมนันสั้นๆใ น, นตัวาาการทากรรมฐานก็คือกันการเจริญนิพพานก็คือกัน บมมีอันนี้ส่งพ่อทาผมรู้ตกตัวนี่เนี่ยเป็นจังว่าสัมมาทิฏฐิวมหิดสอบอะไวาเ้แล้วไปเห็นบนอื่นคุณสอบอันตัวเขาเนี่ยบวหิตสอบเป็นอย่างกับพาะเขาบวแด้เข้าใจธรรมะแท้นั่นธรรมะนี่ครูบาอาจารย์สอนหลายอย่างที่หลวงพ่อเป็นเนนต้องเป็นนั่งภาวนาหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทรกรับซางนับหนึ่งสองสามก็ตามคนนี้ลือดูลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดให้หัวจักปัญญาเอื้นอาณาปานสตินับหนึ่งสองสามก็ตามทุกอย่างแหละมันบกเกิดปัญญาอนนันก็ดีแล้วงั้นเมืองไทยหอบสมืออย่างนี้นหลายครูลายอาจารย์นน การสอนวัดก็หลายพระสงฆ์ก็หลายแล้วเขาจะเลือกขอบวนไหนเป็นสมาธิเดีและญาติโยมบอกเพื่อนพระสงฆ์บอคือกันเราไปดูวัดต่างๆสอนบุคือกันแต่บ้านนั้นก็ว่าสมาธิฐคือกันพระองค์นั่นก็ว่าสมาธิคือกันสมาธิประวิเหตุสอบและบันี้ผู้ที่สอนกรรมฐานอยู่กับว่าสมาธิคือกัน ผู้ที่สอนวิปัสสนาการว่าสมาธิตี่นจากเม่นบนใดเป็นสมาธิตื่แท้เลยตัดสินให้เหลบบาบุได้เนี่ยสมาธิตี่งว่าต่างกันมิจกาทิทีเป็นเอินว่าเห็นผิดเห็นผิดนั่นเห็นอันใดสนะบูมุจกักมิแต่ว่าเห็นผิดกินเหล้าหรือเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเกลียดท่านการงานอันนั้นเห็นผิดอันนั้นมันเห็นผิดอย่างหนึ่ง เด็กน้อยเขก็หัวจักเห็นผิดแบบนั้นโบเมงคนสลาดเราเห็นผิดแบบนั้นเป็นทุกไปแบบนึงกับโบเมงคนสลาดพระพุทธเจ้าสอนคนนั้นสอนคนที่กําลังทําผิดให้กลับคืนมาทําให้มันถูกต้องคนนั้นสอนคนที่ยั ง, งโง่กันว่าโง่จะเสียดพระเจ้าพระสงฆ์หอบกับกุศญาติโยมกับกุศลโง่นั่นแหละคือว่ามันมันบดสลดัดสอนคนที่โง่ให้คืนมาสลาดนี มันโง่มันเป็บทฉลาดคนนักระสอนคนที่มีทุกกําลังทําทุกอยู่มันเป็นทุกแต่ว่าออกจากทุกอะไรเป็นสอนให้ออกจากทุกสอนคนมีทุกให้ทุกนั้นลดน้อยหรือหมดไปสามข้อนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องศึกษาผู้น้อยก็ทุกเป็นผู้ใหญ่ก็ทุกเป็นคนรวยก็ทุกเป็นคนจนกระทุกเป็นทุกอน่าง บวบใบหน้าใบตาไปทั้งเมด่อพระทรงองค์เจ้าก็ทุกเท่ากันคนสสรักษาศีลกินเจทำกรรมฐานเจริญปัสนาะก็ทุกเท่ากันเรื่อง น, นี้จิว่าอันสมาธิที่ต้องเข้าใจจริงๆรงิถ้าบอกเข้าใจจริงๆแล้วก็แสดงว่าเราบอกเข้าใจในคําพูดคาสอนนั้นเราเข้าใจแค่คำพูดกันไหมสมาธิที่หลวงพ่อจะนํามาเล่าสู้ฟังเมื่อนี้กแบบับ โอือนไนคือเขามาทำจังหวะทิศมือขึ้นรูสึกตัวขวอ ม, มือลงรูสึกตัวยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังรูสึกตัวอันนี้แหละเป็นสมาธิอันสมาธิเนี่ยพราว่านี้บมม่สมาธิอันนั้นเนี่ก่อนที่หลวงพ่อจะห้งจักสมาธิแบบนี้เนี หลวงพ่อมาทำควมรู้สึบตัวมันมีนแต่แค่ตัวเห่าอ้อธรรมะธรรมะนี่โบเมนกัมพีร์โบเมนพระพุทธรูปโบเมนอย่างทั้งมดบเมนสีเมนแสงย่างคุบาจานหวานั่งภาวนาแล้วเอาพระพุทธเจ้าในประเทศอีเดียมาตั้งไว้ในหัวใจนี้โบเมนแมนแมนในความเห็นของคนเป็นสมาธิที่4ของคนอโบเมนสมาธิที่4เออนี่ยพอวัน สมาธิที่แบกเน่ยเพราวานี้คลิกมือขึ้นพว่มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาคลิกตาหายใจเข้าหายใจออกคือนน้ำลายผ่านไปในลนำคอรู้สึกตัวเพราะตัวเรานะั้นมันอยู่นี่เองแต่ากเมื้องตัวเรามันสมมุติว่าจึงสมมติยังจึงมีมากที่สุด คนผู้ใดบุรู้จักสมมุกกรแสดงว่าเข้าใจธรรมะแบบหนึ่งคุณไม่เข้าใจธรรมะแบบอย่างพราวนี้สมาธิที่ของคนอันนันไม่สมาธิที่ของอย่างพราวนี้สมาธิที่ของอย่างพราวนี่ยรู้สึกอันนี้คนทุกคนมีคือกันมืดมีพิษตามีหายใจมีเคลื่อนมีไหวมีคือกันมืดเป็นผู้หญิงก็มีคือกันเป็นผู้ชายก็มีคือกัน เป็นพระทรงองค์เจ้าก็มีคือกันคนเท่าคนแก่ก็มีกันมัดไปทำกรรมฐานทำวิปัสสนาอยู่แต่จะดำจางมีมัดเที่าวทำมาอันนี้เทีเป็นสากลเป็นกางกลางบุตรไม่ถึของไถ่ทั้งหมดนี่ว่าเทว่าวสมาธิเรื่อมักแปดเป็นทางสายกลางบุเอียงไปข้างซ้ายบุเอียงไปข้างขวาแต่ว่วาสมาธิธเห็นชอบจะเห็นโตระคำนี้นั่นเห็นพระธรรมเฉยเลย เช่นพระธรรมเขาเคยพูดเคยก่อนเคยกล่าวเคยว่ากันว่าใจใหายอิตานี่คือผีเขาบ่าเห็นตีตัวผีเขาบ่าเห็นผู้ใดนั่งสบายโอ้อิตานี่บอคือพระธรรมได้เช่ น, นเขาบ่พูดจากพระธรรมเพราะเขาบ่ามีตาทิพยีตาทิพย์เกิดขึ้นที่ตรงนี้ผมได้ตาทิพย์นั่งอยู่นี้ไปเห็นนอกโตเขาไปส่งกับโบเมียนผู้ที่ไปได้มีเสี่ยงพวกอื่นลากับโบเมียน ธรรมาทิฏฐิเนี่ยพอได้เห็นอันนี้โอ้ทาตัวผู้ตัวคิดตัวนี่สีแต่ตัวคนบุคคลสีใจมันเป็นสีใจมันซัวใจมันเนา่าใจมันเหม็นคือว่าทําตัวผู้ตัวคิดตัวขเขาเอิ้นสีเขาเห็นใจเลยพเนี้ยเนี่ยคนมีตาที่มาต้องเห็นที่แบบ น, นี้เขามีแต่เ ว, าว้าะ อ้นี้คือผีทำชัวพูดชัวคิดตัวเนี่ยเอาวะวันนี้คนใดทำดีพูดดีคิดดีตัว อ, อีตาอันนี้บอกเท้าอันนี้ น, นั้นใจดีคือพระธรรมเนี่ยเอาวะเม้าเป็ี่ยนซื้อเด้อันนี้แหละเพราะว่าเส้นคนบางภูเขาตาบางเราเส้นคนเส้นเดียวเดือบางภูเขามาที่บางตัวใจพวกนีดด้เป็นพระธรรม อันตัวรูปดีบนเมตตาธรรมมันสมมติเด้งอย่าให้ผู้จักสมมติจริงจริงดีพูดดีคิดดีพระธรรมพระคิดแล้วให้พระทำพระรูปอันนี้เป็นพระแต่ว่าใจคุณสร้างมาใช่ไหมพระใจสิดดกสามสิดดกนำมารว ม, มอยู่นมัดเนี่ยบอกู้จักตรงนอนเตาแล้วพอเข้าใจอันนี้เออนี่ว่าทำดีทำซัวไม้น้เอาทำทั้งหมดอยพระธรรมเลยเท้นี่ว่า เห็นผูกใช้ชีว่าสั ญ, ญากาต่างๆเหมือนจะเป็นสมาธิของหลวงพออ่อวงพอเหน็นอย่างนี้ผู้อื่นที่เห็นจะได้กับโบยูกจากหลวงพอโ อ, อ้สมาธิี่วนเห็นเพาะสอบเห็นผูกเห็นโอผิดอันนี้ธรรมะนคือตัวคนทุกคนคนไทยกับเป็นอย่างนี้คนจีนกับเป็นอย่างนี้คนฝรั่งเศสคนอังกฤษ คนอเมริกาคนเยอรมันคนคาเมนคนยวนคนลาวคนอินเดียบนพระพุทธศาสนาดุก็กกกเป็นอย่างนี้เนี่ยเออธรรมะเนี่ยคือทุกคนเป็นธรรมะนี่คืว่าเห็นธรรมะเห็นชอบใจแค่นี้บัดีผู้น้อยก็โกดเป็นบหมือนมันลองมันให้ในผู้น้อยก็ไผู้ใหญ่ก็โกดเป็นบหมือนเนี่ยถ้าทรงองค์เจ้าก็โกดเป็นในแบบนี้คนฝรั่งเศสคนอังกฤษ คนอินเดียบอนพระพุทธเจ้าตัสรุปก็โกตรเป็นคือกันเมติโอธรรมะนี่คือการเมตุทุกคนบัดนี้อันมันโบโกดีผู้น้อกับโบโกด์มือนผู้ใหญ่กับโบโกด์ถ้าทรงองค์เจ้ากับโบโกด์คนฝรั่งคนอังกฤษคนอินเดียบอนพระพุทธเจ้าตัสรูปก็บอโกด์ก็มีอยูนี่ว่าเขาบ่เห็นอันนี้เขาเดว่าใจหายมันแล้วแบบจะมาโมอปูได้บ้านอยากเอนใจหาย เป็นยังไงปูใจให้เนี่ยว่าปิดมันเนี่ยมันบังรวมปากรวมเรานี่มันบังเราให้เราบบเห็นใจแล้วคันหัวจักว่าเจ้าของใจให้กระทิ้มปุ๊บจะเลิกก็นแล้วคือสจริงของเม่นเขาจับไว้มันว่ากระบเอาทิ้มได้ของซัวนี่อันนื่องใจให้เขาก็บเอาทิ้งจีว่ามันบูหูวจับมันรอปิดเนี่ยหรการพูดนั้น ลอยคำพันคำมื่นคำแสนคำลานคำก็ตามสู้การกระทำความรู้สึกข้างเดียวบได้ยอันทำความรู้สึกยี่มีค่ามีคุณมากซึ่งเป็นทางลัดทางตรงมากที่สุดไปสู้ความพ้นทุกข์ได้เถอ ะ, เ, ะเนี่ยพอเขา้าใจอย่างเต็มตัวทำใดใดก็รายค่าถ้าไม่ทำตัเวเขาว่าซื้อให้ทำมันต้องทำเนี่ย อย่งว่ายาสูงก็เช่นเดียวกันพระทรงองค์เจ้าก็เช่นเดียวกันเนนก็เช่นเดียวกันอย่าขาดการทํำผมรู้สึกนร่งทาเพื่อยันต์นทําแล้วให้มันเกิดปัญญาเขาฟังเทศฟังธรรมฟั ง, ฟงดนตรีฟังเพลงฟังมาหลายสิบปีมันก็เกิดปัญญาก็เลิกละได้เปลี่ยนแปลงได้ ฟังใน้อยอย่างที่เนี่ยเพราวนาเนี่ยฟังแล้วไปคิดไปพิ่เจตนามันเกิดปัญญาอันนี้สือว่าใจได้ทำเลวบบะพัดสิดเปนวา น, นการทำก็คือกันทำนาทําส่วนซื้อขายได้เงินได้ทองแตลอดทํำยิปศนาก็คือการ เ, เราที่สูงสุดทำยิปัสนาเนี่ยเป็นว่าสูงสุดทําแล้วมันโบเกิดปัญญาก็เลิกได้เนี่ยพ่อนี่ยพอ่ยพอทํามาแล้วแต่เมื่อปี น, นี้โบเลิกมุ่งจั ม, มีขวบบุรู้จักในจิป็นบาปมากที่สุด ใ, ในโลกเนี่ยสู้ขวบบุรู้จักนี่แหละบาปมากที่สุดวอลล์ลัดลัดขวบบรู้นั้นแหละจึิทําผิดพูดผิดคิดผิดบุญมากเด้บุญมากกับสุดขวมรู้สึกตัวนี่แล้วรู้สึกตัวแล้วจริงว่าบุญมากบุญมากแล้วจึงบอกทำผิดสิบอพูดสิดจิบอคิดคนมีบุญจะทําผิดพูดผิดคิดผิดหมด คนมีบาปีิจึงทาผิดจริพูดผิดจริงผิดผิดจรี่ว่าบาปมากที่สุดอย่างคืออันบูรูสึดตัวนี้ทำที่ปรัชนาอยู่กว่าต่างหากถ้าหาักบูรูสึดตัวแล้วเรื่องยังมีบาปมากที่สุดนี่พอเขาเ้าใจพาเห็นปกตินี้เองเนี่ยรอสั้นๆความปกตินี่จริงว่ามีเหมือนทุกคนบุยกุเอญแล้วเขาว่าเห็นปกติชัด เ, เกิดมาอย่าพอเมื่เคยรู้ว่าปกตินีอยู่ในเจ้าของ แล้วก็บอกเคยได้ยินซ้ํามีแต่เวาวซื่อๆได้ยินซื่อๆผักบุ้จหัว่าปกติคืออย่งนึงบ้านอย่าพอคนเท้าคนแก่กันแ้เทานี่ผิดปกติแล้วแล้วเป็นบ้าได้เนี่ยสวัสดิ์บางทีเขาไปเบื้องคนเจ็บคนไข้คนที่ตายเนะี่ยหายใจผิดปกติหายใจบอกเขทองผิดปกติแล้วบธนานั่งที่ตายได้ดิอว่ากันแล้วบักบุ้งักแจบได้ออกมาเบิ้งปกติของแจกวือ อันปกติของคนมันมีอยู่บัดทุกคนเป็นอย่างไรผู้น้อยก็มีปกติผู้ใหญ่ก็มีปกติคนรักษาจิตก็มีปกติคนบ่รักษาจิตก็มีปกติให้ว่าปกตินีดีบัดทุกชาทุกภาษาคือศาสนาใดตัวมีมัดอันปกติเฮาพระูรษจะว่าปกติคือยังอันปกติในพนเอื้นพระอรหันต์ทีว่าคติว่าสามสัตว เนี่ยพอว่าในหมิ่นคนว่ากูบาดเนี่ผู้ใดผิดปกติแสดงว่าโบทุกโลเบียแล้วหากันอย่างเข้าใจว่าอันพวกไปนั่งกรรมฐานภาวนาเห็นซี่เห็นแจงเห็นทีเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษเน่ยเนี่ยสมาธิที่ของเขามันเป็นอย่างสรชื่อว่ามันบม่เห็นตรงกับคำสอน ที่พพเจ้าว่าสัมาทิฏฐิแปว่าเห็นสอบเนยมนบเห็นอันนี้เด้เนี่ยสมาทิฏฐิคือสัญญานังกันแต่มไม่บอกเนี่ยสัมาทิฏฐิอันยังอย่างภาวัานพนวาไวอูบ า, อาจารย์พันวา ถ, ถ้าหากอุบาสกอุบาสิกาทิสุทิสุมีมีอยู่แล้วก็มีพระธรรมดีในยอยู่มีผู้ประพฤติดีมีผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมดีในยอยู่ มรคนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ย่บนโลกผู้อื่นเลยโลกดินฟ้าอากาศกระเด็นโลกโตเฮานี่แหละที่บว่างจากโตคนผู้ปฏิบัตินั่นแหละในทางตรงกันข้ามหากมีสิสุสิสุนีอุบาสกอุปิิกาอยู่ก็าตามถ้าทาด้วยในมีอยู่ก็าตามหากขาดจากการปฏิบัติแล้วมรคนิพพานจะไม่เกิดขึ้นเลย ในโลกนี้อันโลกบินฟ้ากาดนันนะบัวเถิงเถือกอันนันนาบว้โลกโตเฮานี่แหละเนี่ยพอเข้าใจอย่างนั้นหากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นิพพานก็ปรากฏขึ้นอันนิพพานนั้นเป็นอย่างไรมันก็ตัวปกติในอีตืมแหละคือมันโบหอนโบหนาวโบเย็นนี่แหละอันนี้แหละนิพพานบัดนี้เพว่อพระตุคริสุนีขุบาอุปิกาอยู่โดยชอบ อาูุเดชสอบนะอายุยังไหนของกระบวเห็นบุหุสจากว่าอยุเดชสอบถ้าอลหันก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เนี่ยเป็นว่าก็บใช้อันอายุได้สอบนะอยู่โดยความคุกที่โดยความที่บรมัดระวังนั่นบมดอายุเดชสอบอบุญแกนอันนั้นไปเห็นที่เห็นที่เห็นแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์นั่นหมดอันอ น, น, นั้นกระบวนนี้พอว่าผ <c oughs> ู้อื่นอจิวะเนียนว่ายอเก็ได้ อันดูโดยซอกหมายถึงเห็นปกติจิตใจเฮานี่แหละจิตใจเขาเป็นปกติคิดปกติน้อยเดียวเนี่ยเห็นโหลดเพราะเขามีปกติเดียเขานางเดียวเสมีผู้มาจับจับจับคอยเขาก็หัวจับจับแแงก็หัวจักมีสิบคนมาจับพร้อมกันเขาก็หัวมือทันทีหัวมือพร้อมกันสิบคนนั่นแหละที่ว่าเขามีปกติความปกติเนี่ยที่ว่าเอินสิงเป็นเครื่องกันจัดกิเลสอย่างงา่ายสมาธิ เป็นเครื่องกําจัดจิติกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดจิติอย่างละเอียดเป็นวาเขามาบวชประเดี๋พระขาส่งองค์เจ้าเขาบวชรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเสาบ่เสาใจหาอ่ะเสาลงเสาลืมบ่เสาเครียดเสาอิสระเรืยเสียมือบ่บ่เสาบ่เสาก็ะปตี้ยว่าหยุดบ้านหลูงเขาเรียกว่าเสาว่าอยูุ่ด ขันโมสยวุ่หยุดม AH, e si ื nament, s s ่อทมีสิ่งยังได้อ่านหนังคมอื ibility, ่นสังขมสิ่งสิ่งสมมติสมมติขึ้นมาสั่งคมจึ่งที่จะอยู่กันอย่างสันผู้ใดจะอยู่สั่งคมนั้นก็ต้องเห็ุจังสันอันนี้มันวุ่นสมมุติได้บุตรเด็นบุแทนได้พิชซู่พุ่นพุ่นเอาเปรียบผู้เหตุไทยคุณเห็นไทยบุญไม่เห็นไทยจตุธรรมชาสตร์ดินฟ้าอากาศฝนตกฝ้าห้องแท่ดินไหคภูเข้าไประเบิดบุญไม่ไทยธรรมชาสตรอันนั้น ไทยธรมรมชาติคือจิตใจเขาวันไหวคุณจิตใจเขาวันไหวมันขัดแย้งกันขึ้นมาอยู่คุณได้ไผ่อย่างนั้นคุพระุทธเจ้าจึงชี้สู่จึงแปผู้เห็นไผ่เช่นไผยต้อใจเห่าไม่ได้เห็นบนอื่นผิดปกติเป็นผิดเป็นไผยที่ว่าคนใดผิดปกติเลยวเรวบ้าบันย่างพอไอ้บ้ า, บ า, บานางนี่บ้าเท่านี่บ้าเท่านี้บ้านางนี่บ้า ผิด ป, ปกติแล้วออกไปโรงพยาบาลเพราะโรคจิตอันโรกอันนี้แหละสําคัญเมื่ไปโรงพยาบาลหมอให้กินยาบางคนก็บรรา u บางคนก็หายไปเพราะเขาบศึกษาอันนี้ธรรมะคําสอนของพระเจ้ามีศึกษาให้รู้ของจริงถ้าบุรูษของจริงแล้วเราที่สงสัยกังวลใจเมื่อเรามีความสงสัยกังวลใจแล้วปฏิบัติก็ยิ่จบไปถือเลยถูกเล พระพุทธสอนแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นจ้ะทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปวาบไปทือมันเกิดขึ้นพอยอย่างเพอาะมันเกิดผิดปกตินั่นเองทุกข์กิขึ้นแล้วพวกตั้งอยู่เหมือนคิดบริยุดแ์เลยเหมือนคิดว่าเป็ น, น ย, ยังไนคิดว่าเป็นอย่างที่ไหนตั้งอยู่ยานานๆจ น, นมันลืมเหมือนดับไปคนเดียวมันคลายๆสื่นนามนามที่ตมหอ้อ ให้หนาให้ไทยหรือให้ส่วนให้อย่างกระซังคนกรุงเทพอาจจะไม่รู้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่อาจจะไม่รู้คนกรุงเทพจยคงจะรู้ถ้าฟังบ่อยๆก็ต้องรู้น้ําน้ามันสปกปรกไัเนี้เอามาใเทขวดไว้แล้วนานๆมาตะกอนที่มันสกปรกก็มันจะจับตัวกันเข้าจับตัวเข้าแขนเข้าเลยจมอยู่คนขวดน้ําก็สะอาดขึ้นมา วันนี้มีคนจะเขยา่าน้ำนั้นก็ทุกขึ้นมาเพราะมันเป็นตมเลยแต่ความจริงน้ำนั้นไม่ได้ไม่ได้สปกปกมันเป็นตมเป็นตะกรอนเท่านั้นเองมันทำให้ขุนขึ้นมาอันจิตใจเราก็เช่นเดียวกันโตชีวิตจิตใจของเราจริงจรนะิน่ะมันเป็นปกติแต่ความขุนความสกปกไม่ใช่ใจหราอันนั้นท่านทบบกิเลเหมือนกับ แสงพระอาทิตย์หลวงพ่อมันค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดวงอทิเเ์เนี่ยวัดตะเวนนี่ยวพระอาทิตย์ก็ได้เวลามันเมฆมากมาเขาว่าฟ้าบดอากาศมันค่อยดีบังแต่ความจริงอากาศอันที่มันมืดมันบดมันบงังต่จับดวงอาทิตย์ไม่ได้มันเพียงบงังไม่้ว่ข่าวเท่านั้นเองใจเราก็เช่นเดียวกันชีวิตเราก็เช่นเดียวกัน เราไม่เคยรู้ปกติอันนี้จริงว่าผู้ใดยังไม่เห็นธรรมแล้วก็เทวะแสดงว่ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราเนื้จะจับซาจีวรเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมคันเห็นธรรมต้ไปเห็นตัวหนังสือไปเห็นพระพุทธรูกไปเห็นอันใดหูนี่ปัญหา ไ้เห็นครับพระพุทเจ้าอันนั้นก็แสดงว่ายังผิดความหมายที่หลวงพ่อพูดว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้ที่หลวงพ่อพูดสัมมาทิฏฐิเนี่ยอาจจะไม่มีกับตําราก็ได้เสีสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชศวะสัมมาวยจมะสัมมาสมาติสัมมาสมาธิพวกคุณพวกหนูเรียนมาแล้วได้ปริญาทั้งนั้นอยู่ที่เนี่ย ส่วนที่ไม่ได้ปริญาเขาก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าคนเช่นเดียวกันมีปริญากันเป็นจานวนมากปริยาเนี่ยเขาว่าสั้นปัญญาแล้วแต่ปัญญาอันนั้นไม่ใช่เป็นปัญญาอันนี้ปัญญาอันนี้มันเป็นปัญญาแก้ปัญหาการขัดแยง้งภายในจิตใจของเราแก้ตัวเราไม่ให้ทุกเกิดขึ้นคันเราไม่ให้ทุกเกิดขึ้นก็แปลว่าเรามีปกติ อยู่กับปกติทำนาทำสวนซื้อขายไปทำบัญชีทำการทำงานข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพยาบ้านเป็นกำนันเป็นรัฐมนตรีก็มีปกติอันนี้ถ้าใครรู้ปกติอันนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกเป็นอย่างนั้นถ้าหากมีทุกอยู่แล้วเสื่อผิดปกติแล้วให้เข้าใจอย่างนี้ใ <c oughs> ว่าะคนเราเกิดมา จะ <c oughs> เข้าใจว่าเราเป็นคน <c oughs> เราไม่ใช่เป็นคนแต่เป็นคนเกิเกิกับคนมันต้องเป็นคนที่เกิกับสัตว์มันต้องเป็นสัตว์เกิดกับต้นไม้มันก็ต้องเป็นต้นไม้นันเป็นอย่างไรคาว่าคนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าการเกิดมากับพ่อกับแม่เท่านั้นอันนั้นมันเป็นคนโดยธรรมชาติมันเป็นคนเรื่องสมมุติหรืว่าการสืบทันธุ์กั คำว่าคนในที่นี้หมายถึงศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้รู้จักขวอมเป็นคนขวอมเป็นคนควอมเป็นคนคือคนมีปัญญาจึงเป็นคนถ้าขาดปัญญาแล้วไม่ใช่คนแต่เป็นคนปัญญาหาเงินเรียนหนังสือมากๆอันนั้นเป็นปัญญาเป็นปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาอันนี้ปัญญาอันนี้เบอกขวอมเป็นคน คนต้องเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามาใช้กับชีวิตของเราจร่งวเป็นผู้มีปัญญาคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญาในท่านสอนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกไปได้เพราะเห็นอื่ น, นๆไปอันนั้นมันเข้าใจผิดจิ๋วเราทำความเข้าใจต่าให้ถูกต้องเรามาเจริญความรู้สึกกว่าได้มาเจริญสมถกะกว่าได้ หรือมาพักร้อนกับวดัดใดหรือมาลังงับขุมเลือดร้อนกับวดัดใดหรือมาเจริญนิพพานกับวดัดใดแล้วจะจะพูดเป็นเรื่องสมมุติเสวะวันคิดวันจันท์วันอังคารวันพุทธกุณหัสตุกขอ เ, ขเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นพรุ่งนี้วันนี้อื่หน้าเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเราต้องรู้จักสมมุติจริงๆถ้าหากไม่รู้จักสมมุติเลยเราจะเอาอนคตไปกใใระใส้คุณ เราก็เลยไม่รู้จักอนาคตใกล้ๆนว่าคนรู้ธรรมะกับคนไม่รู้ธรรมะจริงไม่เหมือนกันคนบูราณท่านสอนเอาไว้ว่าวัฏฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับคนที่ไม่รู้ธรรมกลางวันนานค่ำกลางคืนนานแจ้งสำหรับคนผู้ป่วยไข้นอนไม่หลับเป็นวั น, วนคนนอนไม่หลับกลางคืนโอ้ยฟันใาจ่าฮงจะสว่างมาเนาะนอนไม่หลับนี่ เพามันพลิกตีนตีนโตอยู่นั่นกลางวันเหมนีน้ปานจะเชียบมือจะคำเนาะเนี่ยนอนไม่หลับก็พลิกตีนตีนโตอยู่อย่างนั้นแต่่คขมจินสิบสองโมงเหมือนกันยี่สิบตีสบงเหมือนกันเปี่ยนน่ะคนไม่รู้ทำก็จอโตอยู่ไกลไกลพุ่นไปคิดเอาไกลไกลพุ่นจึงว่าไม่รู้จักจึงว่วัตต์สงสารเยื่ยาวนานสําหรับคนคู่ที่ไม่รู้ทำ คนที่รู้ทำอยู่กับธรรมะนั่งนอนกับธรรมะอาบนา้ำสงนะอะไรทั้งนั้นนะอยู่กับธรรมะทางนั้นจิ๋วพระธรรมจิ๋วเป็นพระอันนี้จิ๋วพระอ า, าริยบุคคล น, นั่นขั้นต้นเองพระโสดาบันบุคคลนนเอสาพระพวะโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระภุมิภาคเจ้าน่ของจสกันแต่เราไม่รู้ ทางยาวไกลสําหรับบุคคลผู้ที่ห้าบของหนักเดินทางเมื่อยล้าสมมุติทางเพียงสิบกิโลนะเราห้าบของหนักโอ้ไปไานจะถึงหนักเนี่ยแท่ความจริงสิบกิโลเท่าเดิมบ้านี้คนที่ไม่มีของเดินไปก็ถึงเร็วแท่ความจริงเดินลาเดินเหนือเท่ากันแต่มันหนักอันที่เราไม่รู้จักธรรมะก็เช่นเดียวกันชื่อว่า เอาอนาคตไปร่าใไก ล, ไกลคนที่ไม่รู้จักธรรมะจาดหน้าคนที่รู้จักธรรมะไม่เอาอนาคตไประยะไก ล, ไกลเอาอนาคตมาว่าใกล้ขเขาสอนกันยังไงังวจัดหน้าปีหน้าชั่วโมงหนา้านาทีหนา้าวินาทีหนา้านี่เรียกว่าเป็นอนาคตทางไห น, นวินาทีนี้อย่างที่หลวงพ่อพูดจร่ยังไม่เข้าใจวินาทีหนา้าเข้าใจเนี่ย ก็เลยเข้ามาถึงอยู่กับปัจจุบันจึงว่าเป็นคนรู้ปัจจุบันเอาอดีตอนาคตมาไว้กับปัจจุบันให้เราอยู่กับปัจจุบันเป็นปัจจุบันจึงว่าอันนี้แปลว่าคนรู้ธรรมะเป็นว่าอย่างรรู้ธรรมะไม่รู้อื่นจงแต่คำพูดนะอันนี้บางคนมีปัญญาคิดรู้ก็เป็นแต่ว่าคิดนั้นบางที่อาจจะคิดไปไม่หยุดก็ได้คิดรูเรื่องนั้น คิดรู้เรื่องนี้อันนั้นกระตรงอันนี้กระตรงอันนั้นเป็นความคิดเป็นหลักษณะของมคิกไม่ใช่เป็นหลักษณะปัญญาญานโยยานปัญญาหรือปัญญาญาณวิปัตนาเกิดขึ้นกันวันอันวิปัสนาเป็ว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเกา่าล่วงภาวะเดิมคนใดยังทําเหมือนเก่าถึงจะรู้ก็ยังไม่ถึงวิปัตนา นิพพานาจัางหวัดรู้แจ้งรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้หลวงพ่อนี่สุบุรีแต่ก่อนสุบุรีแต่ก็ทาไปทุกอย่างเลยแต่การรักษาศีลแล้วก็เคยรักษาเน้อบุรีบนไม่ได้หลวงพ่อติดบุรีติดหนะักคนสุบุรีกายไปถ้าเราไม่มีบุรีก็กินบุรีเข้ามาทุกดังตัวอีก็ล้วบางทีเอามื อ, อแลนเนี่ยมันไม่รู้จักไม่รู้จักทีเลสเนี่ย พอดีไปปฏิบัติธรรมโอ้กิเลส ไ, ไม่ใช่อื่นใจแระตัวใจเรานี่เองใอ้ใจผิดปกติในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราเข้าใจอย่างเดียเห็นกิเลสเลิกได้ตั้งแต่วันนจนถึงปัจจุบันสิ่งต่างๆหลวงพ่อไม่ออกเดียวโอ้วิปัฒนนาเกิดขึน้นไม่เอามันเป็นทุกเดียวทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ ทุกเท่าะนั้นดับไปหลวงพอกเคยไปเห็นพระกรรมฐานเนี่ยให้เข้าใจว่าขัมเป็นคนจริงวะเป็นผู้มีปัญญาถ้าขาดจากปัญญาแล้วขัวเป็นคนไม่มีนีแต่แขงขาหน้าตามือเท่าเป็นคนแต่ตัวจิตใจตัวชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนไม่ว่าอยู่ด้วยทุกิกนด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุก เอาทุกเป็นเจ้าเหลือนกเรศินกับภูมทุกเมื่อสิ่ง์กับภมทุกนี่จะพูดเรื่องคนรักษาศีลบริสุทธิ์กับคนรักษาศีลไม่บริสุทธิ์ให้ฟังมีสองคนเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนต้องไปด้วยกันรักษาศีลทำบุญหรือไปเจริญนิพพสนาไปด้วยกันแต่คนนึงไปด้วยคูสุจริตคนนึงไปด้วยควรไม่สุจริตเป็นอย่าง เมื่อคนใดไปด้วยความไม่สุจริตก็เลยไปปฏิบัติธรรมะนำกันตายไปสองคนเนี่ยนานเกิดมานานก็ต้องตายเป็ น, นะคนคนเกิดมาต้องตายเกิดมาคนเดียวต้องตายคนเดียวเกิดสิบคนก็ต้องตายสิบคนสัตว์ก็เหมือนกันเกิดมาต้องตายทุกตัวสัตว์ทีเดียวจังหวะรู้จริงบัดนี้ก็เลยคนที่บริสุทธ ตายเขได้จะเกิดเป็นเทวดานรักษาศีลบริสุทธิ์ให้ทานบริสุทธิ์คนที่ไม่บริสุทธิ์นั่นหมดตายไปก็หรือไปเป็นนอนหรือทําการก็ไม่บริสุทธิ์รักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์ทําไม่บริสุทธิ์นั่นแหละไปเป็นนอนธรรมดาห น, น, นอนกับเทวดานี่มันเข้ากันไม่ติดแบบ น, นี้ผู้เป็นนอนก็หาเพื่อนกันผู้เป็นเทวดาก็หากันเพราะว่าทําบุญให้ทานด้วยกันไปแล้ว ผู้เป็นเทวดามันต้องมีตาทิพย์ในคนเป็นเทวดามองเห็นเพื่อนเราไปเต็นนอนนอนก็เลยมองหาเทวดาไม่เห็นันนี้ผู้เป็นเทวดาก็เลยแปลงกายเรียกว่าอุบอุ บ, บัติกายขึ้นด้วยกว่าแสดงทำกายในรูปเป็นอย่างอื่นมาเคาะมามาหานอนมาหาก็เลยถามนอนโอ้เพื่อนมาอยู่ได้นานแล้วตี้ฉันถาม โอ้มาอยู่ได้นานแล้วเพื่อไปที่ไหนมา เ, นเราก็มาจากเมืองสวรรค์เพื่ะเป็นเทวดาดิโอ้ไปอยู่ด้วยกันไม่เพื่อนนนละผู้เป็นน้องก็เลยบอกว่าพดเล่าคุณค่าความเป็นเทวดาเมืองสวรรค์ให้ฟังคนหน้าออาจจะก่อนกันยังอยากไปด้วยกันเนี่ยอยากไปแต่ว่าลอาให้ฟังก่อนกัก็เลยเล่าให้ฟังเมืองสวรรค์เป็นยังไงเมืองสวรรค์ ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมีของทิพย์นึกนึกเอาโอ้เมืองสวรรค์นี่มีของทิพย์นะอยากได้อะไรนึกเอาจีอยากได้ตรงนึกเอาอยากได้เสื้ออยากได้ผ้าอยากได้ของดีๆเงางามเคยเสยืส้อก่นึกเอาก็ได้ขึ้นมาทันทีอคก็เป็นเทวดาบอกนะโอ้ทุกข์โอ้เนี่ยความสุขที่ไม่เหมือนกันคนทุกข์กับคนสุขคนใจดีกับคนใจไม่ดีมันเป็นอยังไง คนใจไม่ดีเนี่ยจะทำดีได้ไหมไม่ได้เพราะมีใจไม่ดีแล้วคนใจดีจะทำทัวได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะใจมันดีแล้วนี่สิอย่าทำปมรู้สึกตัวจึงมีอเนิสงฆ์มากก็เลยถามถามกันเนะ่ะไม่ไปยังไม่ไปก็บัดถามเนื้อสวรรค์มีของที่เนสันสบายนะอยู่นี่เนี่ยสบายนะสบาย อยู่ที่นี่ไม่ต้องนึกไม่ต้องฝันไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยนี่แหลเราเพียงเป็นการคาดฝันว่าความสุขอยู่ข้างหน้าคุณนี่ผ่านอยู่ข้างหน้าคุณนั้นลงจุกขั้นหนับไม่เป็นการคาดฝันเพราะเรานึกเอาเองเนี่แต่เมื่อเป็นคนนึกไปบนันิตายไปแล้วไปเป็นหน้อยฐานเทวดาเมืองสวรรค์นะ่ะไม่มีอุจจระ มีอุจจาระในเมืองสวรรค์เมื่อี้มีอุจจระทําให้คนไม่ได้กินของสกปรกโอ้ถ้าไม่มีอุจจาระเราก็เราก็ไปไม่ได้แล้วทำไมจะไปไม่ได้เพราะเรากินอุจจระกินขี้กินขี้หนอนมากินขี้กินอุจจาระอาหารดีๆทีนี่เสียมไม่ใช่ของดีน่าเที่ยวอันนี้เป็นของสกปรกที่สุดโอ้ของสกปรกมีไม่เมืองสวรรค์ ไม่มีแล้วหนึ่งโอ้ไม่มีที่ไม่มีของตกปกลูกก็ไปไม่ได้แล้วเอาหัวกระดิกลงไปในอุจละเลยอันนี้แหละพูดให้คนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเลิกจากข่มชั่วมาจริงไม่อยากเลิกเพราะจิตใจมันชั่วอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่งังก็เลยไปเกิดมุขสวรรค์ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้การไหววอนปาถนาขอร้องเอาสัดหน้าเนี่ยมันไกลเราต้องเอาสัดหน้า มาไว้กับวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือชั่วโมงนี้วินาทีนี้ก็ได้หรือวินาทีหน้าก็ได้เราเอามาไว้ใกล้ๆขึ้น่ะกิเล 1, 5, สพันห้าปัญหาน้อยแปดเกิดขึ้นที่ตรงนี้ที่ว่าพิษปกติกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราเอาตัวเองว่ากิเลสพันห้าเกิดขึ้นอดีตคือว่าเราคิดไปเรื่องอดีตห้าร้อยเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเรายังไม่รู้ห้าร้อยเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ปัจจุบันเราก็ไม่รู้ปกตินี่เองเกิดขึ้นเป็นห้าร้อยเท่ากิเลสพันห้าเท่าันหา1อยแก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นในอดีตสามสิบหกเกิดขึ้นในอนาคตสามสิบหกอดีตเราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อนาคต่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความสุขต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สามสิบ เพราะเราไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ปกตินี่เองเมื่อไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ปกติก็เกิดขึ้นสามสิบหกเขาเรียกว่าปัญหา1อยแปดสามสามเก้าเป็นเก้านสามหกสิบแปดเนี่ยกลเป็นลอยแปดพอดีเกิดขึ้นที่ตรงนี้เองจะ้ะเราต้องอยู่กับปกติญาติโยมก็เช่นเดียวกันทำความรู้สึกตัวให้มาก พระสงองค์เจ้ากอทำกรมรู้ตึกตัวให้มากแต่บางคนเหนื่อย ไ, ไม่อยากเอามาทําอันนี้มันทําแล้วมันเกิดปัญญาเกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามพรมเป็นจริงจิงีวรเห็นธรรมะเห็นพระธรรมตัวธรรมะคือตัวคนทุกคนเป็นธรรมะตัวการงานเป็นงานของพระธรรมเอาพระไปทําคือทุกคนเป็นพระได้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี้ พระอันที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัวนี่เป็นพระโดยสมมุติแต่ไม่ใช่เป็นพระโดยปรามาจิให้รู้จักสมมุติบัญญัติปรามาติบัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยะบัญญัติเป็นพระเรียบุคคลแล้วก็ยังพูกสมมุติขึ้นมาเอาสมมุติมาพูดให้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่การกระทําอย่างนี้ยิ่งทํากว่ายิ่งสบายใจ สมมติเราลงน้าลึกเนี่ยยิ่งทําก็ยิ่งลงน้ําลึกลงน้ําลึกก็ยิ่งเย็นจิตเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เย็นแบบน้ําแข็งอันเราเย็นแบบน้ําแข็งนั่นมันล่าลายเลยไม่น่าลายเลยเพราะเราเป็นสมาทิฏฐิเห็นความทุกข์เห็นความสุขก็ยิ่งทําจิตถ้าคนต้องการความสุขถ้าคนไม่ต้องการความสุกก็ทาไม่ได้เป็นอย่างนั้น ที่หลวงพ่อมาแนะนําหรือมาที่ทางวิธีปฏิบัติให้พวกเรานําไปปฏิบัติกับการกับงานธุระหน้าที่ของเรามีต้องทำคนไม่มทำธุระหน้าที่สามหน้าที่แล้วจะเป็นค น, นได้ไหมไม่ใช่คนแต่เป็นคนแต่ไม่ใช่คนคนแต่เพียงแค่งหาหน้าตามือเท้าทางปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาของคนจริง ที่หลวงพอมาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตติดใจมาในวันนี้ก็ลว้ลวนๆเพียงแต่ว่าให้เราทําวิธีควมรู้สึกตัวแล้วก็ดูปกติจิตใจของเราอย่าไปนั่งนิงน่งๆถ้าไปนั่งนิงน่งๆมันเข้าไปในคมคิดเะวานั่งนิงน่งๆคอยดูปกติมันคิดไปเราไม่รู้เลยเนี่ยนะทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องจเจริญ นี่โลดทำให้แจ้งเราพูดไใดจทำอันนี้แหละมันจะไปถึงที่สุดของทุกยอดทำให้แจ้งขอให้ทุกคนทุกคนจงดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตรัทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นจงประสบพบเห็นเอาอันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจปกติจิตใจพองใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะมากระทบกับตัวชีวิตของเราในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกล้ที่จงทุกๆคนเธอหลังจากการทาหลังจากการสันอาหารตอนเตาก็พูดท ร, รมะให้พวกเราเข้าใจและเอาไปปฏิบัติได้ครับ ถ้าหากเราไม่เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติมันผิดครับแต่มันผิดมันไม่ถึงกับผิดกฎหมายมันไม่ไผิดคุกผิดตารางเขาว่ามันผิดนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้เขาว่ามันผิดนั่นหมายถึงว่าการปฏิบัติของเรามันไม่ก้าวหน้าดังนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมะเบื้องแรกที่สุดให้เรารู้จักเรื่องรูปนาม รูปนามไม่เพียงพูดสั้นๆอันใดเป็นรูปอันใดเป็นนามไม่ต้องมีภาวิจาร์นักรูปนามมันติดอยู่ด้วยกันมันอาศัยซึ่งกันและ ก, กันถ้าหากไม่มีนามรูปก็อยู่ไม่ได้ตายเขาเรียกว่าตายต้นไม้ก็เช่นเดียวกันสัตว์ก็เช่นเดียวกันต้นไม้ถ้าไม่มีจิตไม่มีใจมันก็ตายไปสัตว์ก็ตายไปคนก็ตายไปอย่างนี้ คนเราจรึงอะไม่เข้าใจเรื่องสมมุติจึงปรารถนาเอาสวรรค์นิพพานหลังจากการตายแล้วนี่ <c oughs> แต่เราไม่เข้าใจเรื่องสมมุติเพราะว่าสมมุตินนะจึงมีมากบางคนบวชเข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็มีอย่างไม่เข้าใจเรื่องสมมุติการศึกษาเล่าเรียนนั่นดีแล้ว แต่พวกเราคุณคุณเทพเรียนทางโลกต้องปริยาตตีขวจุหลักสูตรตัวปริยาโทรปริยาเอกต่อขึ้นไปเดี๋ยว่ะปริยาเอกขอว่าด็อกเตอร์ฉัหนหลพอใช้ไม่รู้ตรงอย่างนี้เพราะว่าเป็นผู้เซี่ยวสารในการคิดขว้ความคิดแบบนั้นไม่ใช่เป็นความคิดแบบที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องสมมติเนี่ย สมมติเจ่ากับมีมากเราไม่รู้จักสมมติผีเราก็ไม่รู้จักเทวดาเราก็ไม่รู้จักแต่คนอื่นอาจจะรู้แต่คิดว่าจำนวนคนพันคนเนี่ยจะรู้ไม่ถึงร้อยคนเรื่องสมมติคิดว่าคนอื่นคงจะไม่ไม่ใครถึงกับตัวเราตัวเราก็เป็นจำนวนร้อยคนนี่แหะ แต่เราไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะรู้แต่หลวงพ่อไม่รู้เรื่องสมมุตินี่นึกว่าผีมันก็เป็นตนเป็นโตเทวดาก็เป็นตนเป็นโตเนี่ยตัวอย่างพญา้านกำนันแถา น, นี้ก็เหมือนกันนึกว่ามันมีจริงอย่างเนี้ยแต่ความจริงมันเป็นเรื่องสมมุติบวัดศึกก็เช่นเดียวกันตลอดหลักพระ ธ, ธรรมวินยัยก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้น แต่เราต้องศึกษาให้รู้จักสมมุติจริงๆคนไม่รู้จักสมมุติก็แสดงว่ายัางไม่มีปัญญายัางไม่ใช่คนแต่เป็นคนเนี่ยให้เข้าใจยังนนคนใดรู้จักสมมุติครบจบท้วนแล้วแสดงว่าคนนั้นมีปัญญาคนนั้นเป็นคนเป็นคนจริงๆเจียมนุษย์คนกับมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันแต่ เ, เราให้ซื้อมันนั้นเองคนกับมนุษย์ คนก็เรียกว่ามากมนุษย์ก็แปลผู้หักห้ามได้เทวดาก็มีความละอายในใจนใี่จะว่าตึ่นเทวดามนุษย์ก็หักห้ามใจได้คนเปว่ามากมันตื่นคาเดียวกันความหมายแต่ว่ามันความหมายหลายอันกับคนกับเทวดากับมนุษย์เนี่ยมันอยู่อันเดียวกันกัตบัญญัติเติดมาร ก็อันเดียวกันมันอยู่ในอันเดียวกันนี่เราไม่ได้เห็นเพราะเราไม่มีปัญญาขาดจากปัญญาเรื่องสมมุตินี่เองหลวงพ่อเขาใจว่านั้นลกต้องอยู่ใต้ดินสวรรค์ต้องอยู่บนฟ้าเข้าใจอย่างทำบุญให้ทานรักษาศีลอยากไปเกิดเมืองสวรรค์หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเข้าใจผิดอันนั้นไม่ใช่เป็นสมาธิอย่างที่หลวงพ่อพูดมานั้น อันนั้นมันเป็นทิฏฐิวมเห็นอันนั้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐิเป็นเพียงวมเห็นเท่านั้นเองถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกต้องเดี๋ยวเป็นสัมมาทิฏฐิบัด น, นี้ทุกคนที่มาที่นี่จำนวนหลายคนมาปฏิบัติธรรมะคุณพิจถึงโลกก็มีใชคุณอะไรลืมใช่ไหคุณเนะ พ อ, อมาจากที่สุดโลกนะบันนี้กับพวกนี้ก็มาจากกรุงเทพก็มีมาจากเลยินแพ้ก็มีอะไรก็มีหลายจังหวัดมาที่เราต้องรูดจักแต่ทุกคนต้องตายแม้ที่สุดตายแ ต, แต่ว่าความจริงคนไม่อยากตายทุกคนหลวงพ่อเคยถามไหมไม่อยากตายแต่อยากเกิดนี่ อันนี้เราจะเข้าใจว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเรารู้จักจริงๆแล้วเราจะใช้ปัญญาที่จะนาความจริงให้ยานปัญญาเกิดขึ้นให้เรารู้จริงไม่ใช่จะไปพูดเอาแล้วไม่รู้ไม่ใช่ทุกคนทาบุญอยากไปเกิดเป็นเทวดาอยากไปสวรรค์แล้วอยากมาเกิดเป็นคนอีกแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้จกักสมมติมันเองเกิดมาแล้วไม่อยากตาย แต่ความตายนั้นหนีไม่พ้นทำไม่ยิ่งอยากมาเกิดอีกแล้วแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องสมุินั่นเองทำบุญให้ทานตาตามเดียวก็ตามร้อยพันหมื่นแสนก็ตามต้องการจะเกิดเมืองสวรรค์ต้องการคมสุขนี่ยเป็นยังไแต่ความสุขที่แท้จะอยู่เมืองสวรรค์เนีอยู่ที่ใจเรานี้เองเนี่ยเราไม่รู้ อันนั้นควมฉุกที่อยู่มนสวรรค์เป็นการนึกคิดคาดฝันเอาเองนรกใต้ดินก็เป็นการนึกคิดคาดฝันเอาเองแต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่เหล่านี้เองคนโบราณถ้าจึงสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจหายใจก็รู้เนี่ยพระนิพพา น, พานหายใจเข้าออกรู้ทันทีว่า นิานคืออันนี้นี่หรอความปกตินั่นแหละคือนิพพานนิพพานจึงไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ใส่คือความปกตินี่เองที่พูดให้ฟังตอนหลังสันอาหารตอนเท่านี้พูดเพียงสันส้นๆพระอรหันตก็คือปกตินั่นเองถ้าผิดปกติไปเมื่อใดเขาเรียกวบ้าเมื่อนั้นี่ยผิดปกติไปเมื่อใดเขาเรียกเปรตเมื่อนั้น ผิดไปปกติไปเมื่อไในขาวาัตินาโลกเมื่อนั้นเราต้องเข้าใจความสมมุติให้มันดีศึกษาธรรมะเพื่อจะมาแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจของเราจิตใจเรานี่เองมันขัดแย้งมันพูดอย่างนั้นมันพูดอย่างนี้เราไม่เคยรู้ที่ตรงนี้เมื่อมารู้ที่ตรงนี้มันเอึดใจเดียวเท่านั้นเองดังนั้น คำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากท่านเคยตัดเอาไว้ทั้งหนึ่งมีพิสูติติดตามาพระพุทธเจ้าไปจำนวนหลายร้อยองค์เดี๋ยพระองค์เดินไปสอเอามือล่วงหลงคำเอาใบไม้แห้งขึ้นมาเทียนกรรมือเดียวยกขึ้นมาถามพิสู่์พิสูตทั้งหลายใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือของเราสถาคตนี้ เมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วอะไรจะมากน้อยกูกันพิสูจํานวนติดตามพระองค์แต่นั้นว่าใบไม้ในป่านีมากจะว่าขะน้อยหรือพระคุณเจ้าหรือที่ว่าคลับที่ว่าอย่างไหนก็ไม่รู้เลนียใบไม้ในกำมือของพระองค์นิดเดียวเท่านั้นเองจะเปรียบเทียบปัญหานี้ได้เลยอันควมรู้เรารู้มานะเพราะเราไม่รู้สมมุตินี้อันสมมุติพูดให้รู้ปกตินี่ รวมปกติมันนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นคำพูดคำสอนของครูบาอาจารย์มีหลายทานหลายองค์ผู้ที่สอนนิพพสนก็มีมากไม่รู้สมมุติก็มีนะบางคนสอนกันอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้บางคนรู้ก็มีมันไม่เสมอไปบางคนไม่สอนสนิพพานแต่รู้สมมุติก็มีบางคนไม่รู้แต่เราอยู่กับสมมตินี่แต่ไม่รู้สมมติ แต่ควรมปกตินี่ก็มีบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้เนี่ยควรมปกติกับคนสมมุติเนี่ยมันซับซ้อนกันอยู่ที่ตรงนี้เองพยายามพูดเรื่องสมมุติให้รู้ปกติพยายามพูดปกติให้รู้สมมุติให้เสื่อมกันเข้ากันให้มันได้เองดังนั้นผูใ้ใดรู้สมมุติแล้วก็รู้ปกติทันทีเมื่อรู้แต่สมมุติยังไม่รู้ปกติก็ไปติดสมมุติ อย่างที่เราสวดกันว่าทาลาหาเวปัญจะขันทานขันทั้งห้าเป็นของหนักเนินพาลาหาโลจะปุฆาโลบุคคลผู้แบกของหนักทาไปทาราทานังทุกขังโลเกสการแบกของหนักหรือถือของหนักเป็นความทุกข์ในลูกเรื่องสมมุตินี่เนี่ยใครไปติดสมมุติแบบของหนักทั้งนั้น นิคีปิตวาขะ ล, ลุงพะลังพระเดือะเจ้ า, าสลัดของหนักพิ้งลงเสียแล้วอันยังทาลังอนาธิยะทั้งไม่หยิบสวยออกของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะมูลังตันหังอาพุญญาหะถอนตันหาขึ้นได้กับทั้งลากรู้จักสมมุติก็รู้จักปกติถ้าหากไม่รู้สมมุติรู้ น, น้อยน้อยก็ปกติกวอย่างไม่เลย นั่นเราไปติดอันรก็เป็นทุกข์อั น, นเดอยเราให้รู้แต่เราไม่ติดเขาทำก็ทำได้เขาไม่ทาก็ไม่ทาเรียกว่าเราไม่ทุกข์กับสมมุตินี้เองเมื่อยู่เหนือโลกสมมุติเป็นโลกอันสมมุติในโลกเขาติดอย่างนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องสมมุติแก้ไม่ได้แต่เราพูดให้ฟังเพียงคนมีปัญญาระดับปริญญาตรี ปริญาตีปริญาโธปริญาเอกซันด็อกเตอร์เหล่านี้ไม่ควรที่จะติดสมมุติแล้วแต่ถามมาแล้วหลายคนรู้ไหมคาว่าคนในภ่ ย, ยให้ซื้อเสียงเรียงนามมาก็าเขาเรียกกันมาอย่างนี้แหละก็แสดงว่าอย่างไม่รู้ก็เขาเรียกกันมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาให้คื้อว่าคนถ้าหากยังไม่มีปัญญาเขาเรียกว่า จะว่าเป็นสัตว์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นเพียงแทงขาหน้าตามือเขา้าเพราะมันในการสืบพันกันอย่างนั้นมาสัตว์ในรสารก็เป็นอย่างนั้นแม้ต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมะเราต้องศึกษาให้รู้ควอมูลศึกษามาจากที่ไหนมาจากการเคลื่อนไหวถ้า พ, พระุทธเจ้าท่านสอนเอานสั้นเน่ให้เจริญสติปัญญานตน กายญานุปัสนานให้มีสติดูกายในกายเวทนานุปัสฐานาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตานุปัสสานาให้มีสติดูจิตในจิตธรมมานุปัสนานให้มีสติดูธรรมในธรรมเป็นคำพูดอันนี้ยังไม่ได้สอนชัดลงไปขยับเข้ามาเรียกว่าขยับเข้ามาบ้านนอก เ, เลยมกักจะใช่ ใกล้ครับไปก่อนทัน้ให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เนี่ยอันนี้สอนแล้วเนี่ยยืนให้มีสติรู้เนี่ยเดินให้มีสติรู้นั่งให้มีสติรู้นอนให้มีสติรู้เนี่ยท่านสอนเอาแต่เท่านั่งก่อนยังไม่พอให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบด ย, ย้อยขูดเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้อันนี้เพื่ออะไร เพื่อทำแล้วมันเกิดปัญญาท่านยังย้าอยู่แค่นี้เองอเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากเราต้องทำเนี่ยการพูดร้อยคำพันคำหมื่นคาแสนคำตู้การกระทำครั้งเดียวไม่ได้อันนี้ก็เป็นคำพูดคำสอนของคนโบราณทำใดใดก็ไรค้ค่าถ้าไม่ทำพูดแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราเคยพูดเคยสอนกับ จุดสำคัญคือจุดเดียวกันทั้งหมดเลยแต่พูดได้แิดทำมาจึงซีไปคนละนาทางกันถ้าจุดสำคัญจุดเดียวก็ต้องซีไปทางเดียวกันที่เดินทางเดียวจึงไม่เหยียบรอยกันนี่คะคนโบราณท่านสอนอย่างนั้นอันนี้ให้พวกเราเข้าใจการทำความรู้สึกตัวจึงมีอันนี้สงมากความสงบมันเป็นซื้อของได้มาจาก การทำขุมรู้สึกตัวขุวมสงบนั่ น, นเราไม่ใช่เป็นนั่งขุมสงบอย่างไรขุมสงบก็แปลว่าหยุดแปลว่าเ้าบ้านหลวงเขเรเียกว่าเซาแปลว่าไม่สนใจเรื่องอื่นไม่ศึกษากับครูบ า, าอาจารย์องค์ไหนไม่แสวงหาใครมาบอกมาสอนไม่แสวงหานาลกไม่แสวงหานิพพานหยุดแล้วี่หยุดก็แปลว่าสงบเมื่อเรายังไม่หยุดก็สงบไม่ได้ เราเคยได้ยินไหมองคุลีมาอยากดีอยากมีซื่อมีเสียงอยากมีอีกที่ปฏิหาร5าคนเพราะอาจารย์นี้เองอาจารย์ไม่สลาดก็หาวิธีแก้ตัวไปเนี่ยว่าคนตัวเนีย่ยว่าคนตัวเนี่ยคนดีแก้ไขคนจันไรแก้ตัวคนตัวต้องแก้ตัวเองพอไม่ให้จนตัวเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสียแล้วข้านั้นองค์คุลิมานแด้ถึงที่เลยพระพุทธเจ้ากับองค์คุลิมานเราหยุดแล้วองค์คุลิมนันหยุดทําไมเดินไปเนี่ยแปลว่าแสดงว่าไม่รู้สมมตินี้เราหยุดจากการทําทั่วพูดชั่วคิดชั่วองค์ุลิมานได้สติได้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยฟังเทศฟังธรรมฟังนนตรีฟังเพลงฟังอะไรก็ตาม ถ้าเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาตัวเองนั่นแหละถูกต้องฟังเทศฟังธรรมฟังนนตีฟังเพลงฟังมาหลายสิบปีแล้วแต่ยังไม่เกิดปัญญากเสร็จไม่ใช่ให้ทิ้งนะก็พักได้เอาไว้ก่อนทำให้มันเกิดปัญญาี่แก้ไขปัญหาอันองคุลิมาได้ฟังออเราทำทั่วพูดทั่วคิดทั่วหยุดทันทีเลยเนี่ย อันนี้พวกเราก็ฟังแล้วก็เข้าใจเพราะเป็นนักศึกษาพระก็เป็นนักศึกษาอย่างน้อยที่สุดหลวงพ่อเข้าใจว่ามหกวันที่ตรงนีนะ้คุณอภิวัฒน์ได้เท่าไหร่ได้ปริญญาใช่ไหมเนี่ยได้ปริญญาทั้งล้วนแต่มีปริญญาทั้งนั้นแต่หลวงพ่อจะเขียนหนังสือไม่เต็มถ้าพูดเอาอย่างสนุกสนุกกอนพวกปริญญานี่ยังสู้หลวงพ่อไม่ได้นะฮะ หลวงพ่อไม่ทุกเลยเนตปริยาทำไมคือให้มันทุกก็เพราะไม่รู้สึกตัวนั่นเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็เพราะผมไม่รู้สึกหลวงพ่อจึงให้ซื้อบาปมากที่สุดคือไม่รู้สึกตัวบุญมากที่สุดคือรู้สึกตัวคูด ส, สั้นๆอันนี้จีิงว่าใบไม้ในป่ามันหนีมากเพียงกครรมมอเดียวเท่านั้นเอง คำพูดคำสอนจีนีมากก็เลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะเอามาทํำไมมันก็แบกหนะักเหลือยพาลาหาเวปัญจกักขันท่าแบกเอามาทั้งหมดเลยเอามาทาั้พูดยากใครพูดที่ไหนก็ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าใครพูดที่ไหนก็ว่าคําสอนของพระพุทเจ้านั่นมันจริงหรือมันไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกเท่านั้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็คิดแล้วก็คิดคิดแล้วก็คิดเข้าไปในขมคิดเลยออกจากขมคิดไม่ได้เลยสมุทัยทําให้ทุกเกิดแต่ทันสอนโตคิดนั่นแหละเป็นโตสมุทัยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมันทําให้ทุกเกิดพ่อขมคิดมีเอยู่ให้รู้ขมคิดให้เห็นขมคิด สิแรกหอวงพ่อไม่รู้เมื่อมาทําความเคลื่อนไหวนี่หลวงพารู้กบคิดจริงๆมันคิดมารู้มันคิดมารู้คิดสิแรกมันต้องเข้าไปในความคิดเพราะเรายังไม่มีสติปัญญาหรือว่าความปกติยังไม่ปรากฏว่ายานั่งก็ได้หรือว่ายานปัญญายังไม่ปรกากฏจะว่ายจงไงก็ไ ด, ด, ด, กด้พอดีมันคิดรู้จักคิดเพราะดัมันคิดไม่เห็นของคิดอ๋อนี่ ต้นเหตุของความขึ้น่อทุกต้องกำหนดรู้เราจะมาทำความขึ้นไหวเป็นตัวทุกกำหนดรู้พอได้มาคิดปุ๊บมารู้กับตัวความขึ้นไหวความคิดมันหยุดเลยรถไฟมาแล้วก็หยุดระเียงแค่นี้